ตรงนี้เป็นที่อบรมธรรมะตรงนี้วัชนธรรมวัฏฐานเป็นสถานที่แลมคมแข็งกร่งเหมือนเพชรเลยวัชนธรรมตักวันนี้เป็นสมบัติกร ง, งตาคุณหมอเป็นผู้บริหารจัดการดูแลแต่งทิศถวายสมบัตาเป็นสมบั ต, งงติกรุณาเรื่องชื่อว่า คน ด, คน ด, คน ด, คนดีคนมีบุญมันอย่ากล้มตาใครก็อยากเกี่ยวข้องแม้แต่พวกเราเรได้ยินครับว่าล้มตาล้มตาล้มตานนั้นเราก็ชื่นใจมือปีติยินดีล้มตาเพราะฉะนั้นวันราา้ายก็งล้มตาท่านพระพุทธบาชาติชาติทนี้คุณหมอให้โอกาสก็ทวายเป็นสมบัติของตาแต่บุญกุศลเข้าสู่วนใจนี่คือ การดำเนินชีวิตการให้ความสําคัญกับชีวิตกับจิตใจการที่เราะให้คุณค่าของชีวิตร่างกายของเราเราควรให้ความหมายความสําคัญที่ทางด้านจิตใจใจหนึ่งเดียวแสดงเล่านี้ให้ปรากฏกับเราถ้าเราไม่มีใจเราก็เหมือนต้นเสาต้นหนึ่งเราลองเอาตัวเราไปเทียบกับต้นเสาเนี่ย มีความหมายอะไรในตัวไหมอันนี้เราเป็นธาตุที่มีวิญญาณครองเป็นกองสังขารที่มีวิญญาณครอ บ, นนอ บ, ญญรอบตัววิญญาณก็คือตัวธาตุธาตุรู้แล้วก็ธาตุไม่รู้คือร่างกายของเรามีธาตุรู้มาครองเบื้ที่เรามีธาตรู้เราจึงรู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วรู้หลอกรู้หลี รู้พอใจรู้ไม่พอใจธรรมชาติใจของเราของท่านตั้งแต่ให้ใจอะไรมามันมีธรรมชาติจิตมารักสุขเกลียดทุกข์มันน่าจะเป็นต้นตอรักสุขเกลียดทุกขญญ์ของปัญญาธาตุธาตุเทียมตรงนี้เเป็นเหตุให้เราเยอะจนเป็นเหตุให้เกิดกิเลสกองใหญ่ความโลภสิ่งที่ถูกใจพอใจชอบใจ เพราะประสบการณ์มีความสุขเพราะมีความสุขก็ยึดยึดยึดยึดยึดไม่ว่าหัวใจมนุษย์ไม่ว่าหัวใจสัตว์ไม่ว่าหัวใจของมนุษย์ทุกเหล่าทุกหมู่ทุกพวกเหมือนกันหมดนี่คือธาตุรู้คือวิญญาณธาตุธาตุรู้มีใจใจนะครับรู้รู้รัรู้แมันมีเกณฑ์ของมันอ้าวเวียนว่ายีขม้นขึ้นขึ้นขึ้น เรื่องที่เราไม่ยินไน่ฟังเรงเรื่องอะไรเรื่เราไม่ได้ศึกษาว่าอะไรคือโทษอะไรคือทุกข์แต่ธรรมชาติของมันเห็นเห็นจริงที่ถูกถูกใจพอใจก็ยึดเข้ามาเพราะไปสัมผัสแล้วมีความสุขบางอย่างไปสัมผัสแล้วไม่ ม, ไ ม, มีความสุขเลยนะทุกข์ยกตัวอย่างเช่นอย่างธาตุธาตุร่างกายของเราไปสัมผัสหนาวเกินไปรอ้อนเกินไปไปสัมผัสว่ทุกข์ขึ้นมาทันทีทั้งด้านจิตใจของเราเหมือนกันอาราที่ชอบใจอาราที่ไม่ชอบใจ เราไม่ชอบใจชอบปฏิบัตใจทุกขึ้นมาทัีมันก็นยพยายามผลักออกไปที่จะเรียกว่าปัดออกไปเพราะฉะนั้นเป็นที่มาของความโกรธไม่พอใจไม่ชอบใจนี่สะสมมาเป็นกี่กัก้งกี่ภูริชาติทาให้พวกเรามามีกิเลสกองโลภ ก, กองโกรธแก้ไขกันไม่หยุดไม่หย่อนพระพุทธเจ้าท่านทรงสร้างบารมีทสร้างบารมีมาเพื่อ รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้แล้วพยายามปรับปรุงแก้ไขพยายามดัดแปลงมาทุกพทุกชาติปรามีทั้งสิบอุปบารมีสิบปรมัตุบาร ม, รมีสิบรวมไปแล้วสามสิบครับในช่วงระหว่างที่พระองทรสร้างคุญญาตารมีนั่ะเหมือนพระองค์รู้ที่ไปที่มาของ ก, อ, กองทุกกองโทษคือสิ่งเหล่านี้เห็นไหมพระองค์พยายามถือตามพรุทธตามปฏิบปทาเพื่อชัดเพื่อรังเพื่อขัดเพื่อเอรา ความโลภแท้ทจริงกิริยาที่เราทรงสร้างเพื่อลบล้างปลดเกลื่อนและกาจัดความโลภรับรู้ประทีทานเ่อะทานทานวันหนึ่ข อ, องนอกกายให้จนให้จนหมดไม่มีอะไรเหลือมีคุณค่าที่สุดเพชรดีวันนี้แก้วแว่นกันทองให้จนหมดยังไม่พอให้เอาไว้วัดเป็นทางยังไม่พอให้ชีวิตเป็นทาน เรปฏิภาวนุการให้ทางเพื่ออะไรเพื่อปล่อยเพื่อลักเพื่อวางเพื่อปล่อยจากการยึดมั่นถือมั่นจะแล้วเราย่อมมนดูวิธีการปฏิบัติที่พระองคทรสอนปล่อยปล่อยทรงสอนให้ปล่อยละทั้งลูกประธรรมทั้งนามมาทำฐานตั้ง5้าพราะก็ถือว่าฐานตั้งห้าคือที่รวมของกองทุกทั้งหลายทั้งปวงมีวิธีการเพราะฉะนั้นการสร้าง บ, บนึ่งของเรา สามารถเอาชนะได้ตั้งแต่ยังไม่เด็ดแต่สรู้ทามความโลกความโกรธไปเช่นเดียวกันแพ้เมตตากรณีไปไม่มีข้อเข็มไม่มีประมาสมาใหเราเป็นพระเวสสันดอนะนะทั้งทั้ที่พยายามกดข่มความโกรธเพราะนั้นมันหลงหลงอำนาจลุกอำนาจให้กระหักเรธโออกมาจนได้อย่างไรตอนชูช่ไปขอชูช่ชอไปขอชาลินกันหา เขาได้เป็นสิษยธรมะมัดมือมัดตีนทั้งหน้าทั้งตูงทั้งเขี้ยนทั้งตีต่อหน้าต่อน้าท่อตอนหน้าพระพิฆเนศอนโอโหเผลอขวาโกรธแสดงเกลียาออกมาขึ้นมาทันทีชักพระขันขึ้นมาหมายหมาหมายชักหมายถึงจะฮือฮ่านี่ยลูกโตนูแกรนเราเลิกได้เอาพระขันเก็บคืนเสี ย, ยใจขนยาดเสียใจที่มุนรู้อําน้าให้กับความโกรธเนี่เห็นไหม เราเห็นว่าวิธีการการเปลนปรณีถนาความโกรยามต่อสู้ต่อต้านความโลภ ก, กับความโกรธเพราะความโลภ ก, กับความโกรธเนี่ยจึงเป็นเหตุทั้งเรายึดขมายึดะมาจนไม่มีขอบเขตเป็นช่องทางเป็นที่มาของของกิเลสต่างของกองทุกข์ของโทษความโกรธก็เช่นเดียวกันสิ่งที่ชอบใจก็เดึงขมาดึงขมาสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ผลักออกไปผลักออกไปวิธีออกทางออของพระพุทธเจ้าคือถ้าสรงสอนให้เรารู้เข้าใจเรื่องเรื่องจริง แท้ที่จริงเนี่ยเราดูแล้วเราเห็นแล้วเราไม่ต้องยึดเข้ามาได้ไหมเราไม่ต้องผักออกไปได้ไหมเนี่ยเพราะยึดเข้ามาก็คือคองทุกข์ผลักออกไปก็คือคองทุกข์ยึดเข้ามายึดเข้ามาคืออะไรมันมีตัวยึดมันมีผู้ยึดพอยึดเขามีตัวยึดพอมีผู้ยึดปับมันก็มีความเห็นตเห็นแก่ตัวแล้วยึดเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามาเพื่อตัวเพื่อตัวเพื่อตัวคือมันมีตัว คือตอนไะนไมันมีตัวมันมีตนเมื่อมีตัวมีตนมันก็ต้องเพื่อตัวเพื่อตนมันยิดเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อตัวเพื่อตนเพื่อควบคองของตัวของตนแน่มันถักออกไปเพราะอะไรเพราะไอ้พ้นจากความทุกข์ที่จะมาเกาะกุมเกี่ยวข้องกับตนผลักออกไปกลักออกไปวิธีการสอนของพระองค์สอนให้เราพิจารณาเพื่อทําลายตน พร้อมๆกับการพิจารณาถึงคุณถึงโทษสิ่งเหล่านั้นที่ยึดเข้าม า, าแล้วก็โทษ้องการพลักออกไปในวิธีการอบรมนะเราทอนศึกษาสอนต้นควาสรนเราเป็นบารมีมาจนเต็มเปี่ยนโอ้เสียสงไข่แสนมากลับนั่นหนาสักเท่าไหร่พวกเรากลับหนึ่งกลับหนึ่งพระเจ้าสี่พระองค์รวมไปแล้วเลยยังนั่หนึ่ง <G enthus ias> กลับพระตะกลับพระตะกลับพระเจ้าห้าพระองค์ออกมาย พระโคดันโภคพระโกนากำรดพระกัสโภคพระโกตมุกพระเสียยะเมตยดโยยังจะมาบดยังจะมาตรัะข้างหน้ายังไม่หมดหนึ่งกลับนะโอยเสียอสงไข่แสนมหากับแสนมหากับโอ้สงไข่นึ่ับนับไม่ได้ไม่มีตัวเลขที่จะนับนี่คือระยะกาลเวลาเรื่อนานของโลกไม่ใช่ของอายุของโลกแต่ของอายุนั้นอ่ะมันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไม่กลับกลับเดียวนี่อายุข้อศัพท์ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง ดูแต่เขาว่าศาสนาเพศระยะเมตรไตรท่านจะมาบัดยุคไหนอายุคน 80,000 ปีใช่ไหมแปดหมื่นปีที่พอพอมันเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงอายุของสัตว์เสื่อมลงมาจนถึงอายุ 20,000 ปีเราถึงจะมาบัดถึงจะมาบัดนี่การเจริญขึ้นเจริญลง ข, ข, ข, ของอายุของสัตว์ท่านไม่ขึ้นอยู่กับกับอายุของโลกอายุของโลกก่าหนึ่งนาน แล้วก็อาศงขอ่อสศงไข่อาศงไขไง่สน้าบานามีกุศลประเสริฐสร้างบารมีมานานขนาดนี้เรามาเทียบดูว่าพระองค์รู้ได้อย่างไงพระองค์บรรลุภูเพในภาษาอสติยาแล้ลึกไปได้เรยพบชาพจชาพบชาสร้างบารมีมาอย่างนรไม่รู้จักจบทีนี้เรามาเทียบดูกับวิญญาณคือผู้รู้ของพวกเราคนนั้นพระองค์เลยไม่ใช่รับพึ่งเกิดในอัตภาพนี้สองอัตภาพนี้หรือไม่ก็ตายแล้วสูญ เหมือนอย่างบางศาสนาที่เขาสอนกันตายแล้สูงตายลสูงเกิดครั้งเดียวไปครั้งเดียวพขามสูที่ไหนมันสูพะพุทธเจ้าจะเอามัดรมาสอนว่าูเพ็ตที่ว่าสารพิยาเป็นปสิราลึกย้อนหลังไปเป็นกับกับเป็นสังวตกับเป็นวิวัตตกับเป็นสังวตะวิวัตตกับคุระยะเวลาที่หนหนานระยะลย่อหลังเกิดตายเกิดตายเตายตายไหเราเห็นว่ายาวทํากลางของรี่ มันจะเห็นพวกชาติของพระองค์เนี่ยโอเ้เห็นพวกชาติของสัตว์เกิดด้วยกรรมอยู่ด้วยกรรมไปด้วยกรรมทำกรรมนี่ไปเกิดเป็นนั่นทำกรรมนั่นมาเกิดเป็นนี้เกิดตายเกิดตายกิดตา ย, ย, ย, ย, ยอยู่อย่างนี้แหละโอ้มันไม่ใช่ทุนมีพุนเป็นหากแต่ว่าวิาญญาตคือธาตุรูขข้ของพระผู้เราดิเป็นมาเนิ่นนาแล้วในโลกนี้มันเป็นมาได้อย่างไรเราลองรู้ลองทรงตรัสว่าอวิชชาปัจจะยาอวิชาปัจจะยาแล้วก็เบื้องต้นไม่รมปรากฏ ทำเท่าไรตอนไหนเมื่อไหรใครเป็นคนปั้นใครเป็นคนทำไม่มีพัฒนามาอยู่อย่างนั้นแหละพระองค์ทรงมาพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อที่จะสมุปรับดับกองทุกข์เห็นไหมจึงมาตั้งหลักวฏิตจัตสมุปบาททรงตรัสว่าอวิชชาปัจจะยาสั้างขาราอันนี้แสดงน้อมมาการน้อมมาในแนวปฏิบัติในปัจจุบันการเดือดโดยเฉพาะหลักเขาสมศักิ์หลักเขามีปรสนาเราน้อมสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาแล้วมันได้หลกักได้เกีย์ แต่บางที่เราพุทโธพ nope. Them, <c oughs> <c oughs> 慢慢ุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเพอเราปล่อยอวิชชามาครอบจิตเราพักอวิชชาแล้วว่าความมืดอวิชชาแล้วว่าความหลงความไม่รู้อวิชชาพอมาครอบจิตเราพักพุทโธหายพุทโธายเป็นแบบนี้รับเวลาเราปลุกขึ้นมาเอาสติเอาสัมผยัญญาซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ติดมากากผู้รู้หลูกจิตต้องตัวเองให้ตื่นรู้อยู่พุทโธพุทโธพุทโธ ตราบใดที่พุทโธติดแน่วสว่างสวายอยู่เฉพาะหน้าเราตอนนั้นท่านไม่เรียกวิชาท่านเรียกวิชาวิชาเราส่งตั้งที่อาวิชาเพาพอรับลอยอาวิชามันครอบงําจิตใจของติดของเราทีไรเมื่อไร่กองสังขารมันก็ก่อตัวก่อพบก่อชาติทั้งประเภทรูปธรรมทั้งประเภทนามธรรมมันก่อตัวก่อตนเกิดเป็นกองสังขารเพราะฉะนั้นกองสังขารจะเกิดไม่มีที่หยุดที่ย่อนถ้าหากเราปล่อยเชื่อแล้วนี้มันครอบกลุ่ ให้ายสการก่อตัวอยู่อย่างนั้นทุกระยะทุกเวลาไม่มีว่างไม่มีเว้นนี่เพราะฉะนั้นท่านจึงให้กำหนดเอาคุณสมบัติเอาหมายใช้ตั้งสติกำหนดจดจ่อตื่นรู้รให้มีแต่วิชาประจักใจของเราจะกกำหนดจดจ่อรู้แล้วพิจารณาตาอย่างนี้ตั้งเขาเรียกว่าหลักการใช้ปัญญาหรือหลักของวิปัสสนา เราก็จดจ่อให้อยูอย่กับอารมณ์หนึ่งเดียวไม่ต้องดั่งริตามกิริยาอาการไม่ต้องเป็นตามรู้ตามเห็ น, นให้สงบอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวหรืก็เป็นเรื่องของของสมถะเป็นเรื่องของความสงบอันนี้ท่านแยกมาพูดให้เราเข้าใจกัานเองว่าสมถะวิปัสสนาเรายพยายามปลุกผู้รู้เมื่อไรตื่นรู้อยู่อย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้อวิชชา ม, มาันมาครอบคิดของเราได้เพราะมันครอบมาทีไรเมื่อไหร่ มันทําให้เรายึดขมายึดขมายึดขมาแล้วมันทําให้เราผลักออกไปผลักออกไปผลักลักออกไปในเมื่อมันสว่างตื่นรู้มันก็จะทำให้เรารู้เข้าใจว่าโอ้เออมันเข้าใหมา่นี้โอ้มันตั้งอยู่นี้โอ้มันไปอย่างนี้รู้ที่ไปที่มาของมันนะแทนที่จะรู้แล้วไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจที่ไปชี่มาของมันจะยึดขมายึดขมาขอให้สะใจขอให้จูดใจขอให้พอใจแท้จริงมันก็เป็นมาอยู่อย่างนี้ เราเป็นมากันมาถูกทีกับมีกันมาแล้วคนเรียนปนป้วนเปียกตันอยู่อ่านแหละแต่ด้ยเหตุที่ความทุกข์กลายมาทับท่วมทับถมหัวใจของเราแม้แต่ตัวอวิชชาตัวกิเลสตัวตัณหาพลังของมันก็คือตัวตัณหาตัวตัณหาตัวเจ้าทศสงฆ์ว่าสมุทัยสมุทัยทุกสมุทัยมีโรคมากเวลาเราจงตั้งใจปฏิบัติเพื่อจะได้กลายมาเป็นสัมมาสัมพุทธะแท้ ก็ต้องมาเข้าหลักเกมของเหตุของผลทุกสมุทัยในระดับหมึ่งสมุทยก็คือตัวตัณหาตัวตัณหาก็คือพราจิตของเราหลังจากเราไม่ปลุกจิตของเราให้วยธรรมสติธรรมปัญญาธรรมสัมพชัชญายะธรรมให้ตื่นรู้ขึ้นมาทวิชากว่าครอบกว่าวิชาครอบมาครับลูกสมุนของตัณหาจะข่วนเปียนเต็มไปหมดเลยตาก็เห็นหูดได้ยินจมูกดองเหนียวอะไรต่อะไรเป็นเรื่องของมันสาวมาเพื่อที่จะ ก่อตัวให้ก่อตัวก่อร่างก่อตัวก่อตนก่ อ, ออะไรขึ้นมายอยู่ในนั้นความทุกข์ตัง้งหลายทุกข์รวมมันก็ตามมาท่านจึงให้พิจารณาอยู่อยู่นี่จนจิตได้รับความสงบฐานแสดงตัวมาไดนะ้จนจิตเกิดปัญญารู้ที่ไ ป, ร, ไปรู้ที่มาฉลาดรอบรู้นะการฉลาดรอบรู้ในทีนี้รู้ไปแล้วเหมือนอื่นอนันก็มีความสวา่างถ้าเราจะเทียบควาวิชาือความไม่รู้วิชาคือความรู้ อวิชชาครอบกิตของเราทีไรเมื่อไรคือความหลงมันครอบคืออวิชชาครอบความไม่รู้ความไม่เข้าใจแท้ที่จริงทาร่าตั้งสติตั้งสัมปชัญญะมีปัญญาตื่นรู้รู้อยู่นะเรารู้รู้เท่ารู้ถันรู้เท่ารู้ถึงรู้เท่าอะไรรู้เท่ากิเลสตัณหามันหลอกกราไม่ได้รู้ถึนกิเลสตัณหามันหลอกเราไม่ได้เพราะเรามีสติเพราะเรามีปัญญาเห็นไหมความไม่มีปัญญานี่แหละ มันเป็นกิเลสกองหนึ่งที่เรียกว่าความหลงความหลงความโลภความโกรธความหลงวิชาธรรมพยายามสร้างปัญญาดูสิปัญญาบารมีปัญญาอุปบารมีปัญญาปรมัตตบรมีทานสินเนฆามปัญญาบริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาปิฆะบารมีสัสิบเราไปดูที่รวมไปแล้วเป็น30มสิบท่านนี่คือวิชาความรู้ที่พุทธเจ้าท่านศึกษานะเพื่อเกิดความรู้เกิดความเข้าใจ และอาหลกการวิชาการของความรู้ทั้งหลายทั้งปวงเราดีมาสมปรนักดับความทุกข์แท้ที่จริงก็คือพุ่งไปที่ตัวที่สังขามั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนตท่านจึงให้เรามาพิจารณาแยกเพื่อทําลายกองสังขารเพราะกองสังขารมีนะักที่ใดที่นั่นมีอนิจจามีทุกขัา ม, มีอนัตตาที่ใดไม่มีกองสังขารที่นั่นไม่มีอนิจจาม่มีทุกขัา ม, มีอนัตตาอยู่รอบข้างตัวเราไม่มีแม้หนึ่งเดียวที่จะไม่ใช่กองสังขาร โลกกระแไหนๆก็ตแทกไม่มีแม้หนึ่งเดียวที่บอาไม่ใช่กอสังขารสิ่งที่ไม่ใช่กองสังขารคือสิ่งที่ชานานสิ้นเปลืองโรบริสุทธิ์แลว้วเหมือนพระกิจที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าไม่เป็นก่อสังขารเป็นสิ่งหนึ่งเดียวไม่มีเป็นสองกับสิ่งใดท่านเรียกว่าไม่ใช่กอสังขารเพราะสิ่งนั้นจึงไม่มีอนิจนนนมมจังทุกข์อนัตตาถ้าให้เรามาพิจารณาเพื่อทาลายให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกองสังขารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เพื่อมารู้ รู้แล้วเป็นการเข้าไปรู้เข้าไปเห็นข้อเท้จริงโอ้การที่เราสัมผัสมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนแทนที่จริงอารมณ์ความหลอกที่มันมาหลอกเราเป็นกลับเป็นการมามากน้อยเท่าไหร่ตามอำนาจของกลุ่มวัยมายาของกิเลสที่มันเอามาใช้เพื่อดึงประโยชน์เข้าสูงผลรายได้ของมันในเมื่อเราศึกษาอยู่อย่างนี้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจจนทําลายความยึดยึดติด ความสัมพันมั่นหมายเห็นว่ามันเป็นนี้ดเป็นนิดนี้นิดป็นนินั้นเป็นั้นจนเป็นอนัตตาจุกเป็นอนัตตาอนัตตก็คือนัตตาก็คือไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีผู้ที่จะยึดเข้ามาไม่มีผู้ไม่มีผู้ที่ยึดเข้ามาไม่มีไม่มีผู้ไม่มีผู้ต้องการเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็แสดงกิริยาตามความมีความเป็นธรรมดธรรมชาติของมันทั้งนั้นเองถ้าไม่ถึงภาวะถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้ โอกาสที่จะคนทุกคนโทษไม่ดีทำไมจะทะยานไปถึงตรงนี้ได้เพราะยังไจะต้องหันมาทางทางที่พระองค์สผ่าดําเนินทานศีลสมาธิปัญญานี่ก็เราทำํำงานระดับทางเราตั้งใจรักษาศีลสมาทานศีลและตั้งใจทําให้ได้รับความสงบเพราะการสบุญทุกครั้งเราจะต้องทําให้พระองค์ห่อนทางศีลสมาธิปัญญาเพืจะทําให้ปาชนะของเราความฉลาดความรอบรู้ที่จะทาลายกองเกลื่ในหัวใจของเรา จะได้หมดไปจะได้สิ้นไปจะได้เต็มตื้นขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วพวกเราทั้งหลายไม่ประมาททำหน้าที่สมบูรณ์บริบูรณ์ตามหน้าของบริษัทไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจในภพในชาติเห็นโทษเห็นโทษเห็นภายในภกชาติของตัวเองตั้งใจความเปลี่ยรให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยมีโอกาสก็ตั้งใจภาวนาให้แก่ในรับความสงบอย่าลืมว่าใจของเราแค่ได้รับความสงบแค่นั้นเอง สามารถสงบระงับดับกิริยาควาทเคียตัญหาในหัวใจพวกหลายคองเราได้มันคือมันเกิดไม่ได้แสดงไม่ได้พิจารัยเกิดความรู้เกิดความเข้าใจรู้ที่ไปที่มารู้ที่เกิดรู้ที่อยู่แล้วก็รู้ที่ดับรู้เรื่องเครื่องไมยเครื่องมือที่จะเอามันดับมันจนสามารถสงบระงับดับมันได้ด้วยอํานาจของปัญญาเราเป็นการทํา การทําโอกาสเพื่อความสุขเพื่อความเจริญในชีวิตเหตุใจของเราจะต้องเยน็นโทษเต็มที่ทีบตัวไปคนเลยนะครับสภาพนี้ก็ตั้งหมดตั้งใจทำรูปปัย์ทั้งทำทั้งพนไปามากต่อมากแล้วแหละพวกเราได้ยินได้ฟังตั้งหมดตั้งใจทำเจริญรอยตามพระพุทธเจา้าเจริญรอยตามพระสงสอนพระอ ร, ริยัะสาวะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเหล่า น, นี้เป็นคุณสมบัติเป็นความดีที่จะนำมาสู่ชีวิตจิตใจของเรา ว่าเป็นของเราก็ได้รับแต่ความสุขความเจริญนะความุกข์กยุตแล้ว